ที่จริงธรรมะเนาะมันก็มีการฟังป็นส่วนประกอบแต่ธรรมะที่แท้จริงต้องเป็นการปฏิบัติเนาะนะนะฟังมากเท่าใดอ่านมากเท่าใดถ้าใจยังไม่ทราบซึ้งในธรรมก็มรรมก็เรียกว่าแค่จำได้หรือว่าแค่รู้จักธรรม ะ, ะเฉยนะเพราะธรรมะที่แท้ จ, จริงต้องเกิดจากการปฏิบัติให้เข้าถึงจิตใจนะธรรมะ ต้องเกิดจากการที่จิตใจมันเปลี่ยนแปลงถ้าปฏิบัติธรรมไปแล้วจิตใจยังไม่เปลี่ยนแปลงนะจิตใจยังไม่ออกจากความทุกข์นะแม้จะรู้มากขนาดไหนนะก็นึกว่ายังไม่ได้ผลในการปฏิบัติแต่การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรอการเปลี่ยนแปลงที่มันต้องฉับพลันนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าต้องเกิดผลอะไรกันยิ่งใหญ่ถ้าเราสังเกตจิตใจของเรา ในการประเดิบัติธรรมทุกครั้งทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวแล้วจิตใจรู้นื้อรู้ตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวตอนนั้นจิตใจเราเป็นอย่างไรจิตใจเราเป็นปกติไหมถ้าสังเกตว่าอ๋อจิตใจที่เป็นปกติจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่ไม่หลงไปที่อื่นไอ้ตรงนี้แหละอ้อจิตใจเราอยู่ในความเป็นปกติแล้วความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราจะสังเกตได้ว่า การปฏิบัติธรรมนี้ น, นะถ้ากลับมารู้สึกตัวได้เนี่จะเห็นว่าจิตใจที่ ป, ปกติอยู่ตรงไหนนะความไม่ทุกข์มาอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้แหละตรงที่ใจเป็นปกติหลวงพ่อเทียนที่จะย้ำ ม, มากเลยเรื่องจิตที่เป็นปกติเนี่ยมันมีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรแค่กลับมาหาความเป็นปกติของจิตจิตที่เป็นปกติมันมีอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้ง ความโง่นะหรว่าความหลงมันพาให้เราคิดนึกปรุงแต่งพาให้ทุกข์ไปเฉยเฉยเพียงแค่กลับมาจากความคิดนึกปรุงแต่งจากความโง่นะเราก็กลับมาหาความเป็นปกติอยู่แล้วเนอะเหมือนกับความสะอาดมันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าทั้งกระเบียบเที่เหมือนกับพระอาทิตย์มาส่องสว่างอยู่ชั้นใดเพียงแต่เมฆบอกมาบดบังเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น จิตใจของคนเราทุกคนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะมีความสว่างสวัยมีความรู้ตื่นเบิกบานอยู่แล้วทุกขณะเพียงแต่เมฆบอกมาบังชั่วค่าวเท่านั้นเมฆบอกที่มาบังคืออะไรนะคือความคิดนะความคิดนี่แหละนะที่มันมาบังสังเกตไหมนะเราปฏิบัติไปบางทีก็คิดนะคิดเรื่องการปฏิบัติบ้างนะ หลายคนเนาะแต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องการปฏิบัติเพราะไม่เคยปฏิบัติพอมาปฏิบัติธรรมาฟังครูปาจา์มาฝึกมากขึ้นก็คิดเรื่องการปฏิบัตินะใหม่ๆนะนะหลายๆคนไม่รู้อาจจะเหมือนตัมมาหรือเปล่าคิดหาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นแบบไหนน้อนะพยายามหานะพยายามหาพยายามจะจับให้ได้ว่าไอ้ความรู้สึกตัวเป็นแบบไหนบางทีก็พยายามหา ที่ครูบาอาจารย์บอกให้วางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องเป็นแบบไหนเราพยายามจะหาพยายามที่จะค้นที่จะหาแต่จริงยิ่งค้นยิ่งหาเทอภาแบบนั้นนะกับยิ่งไม่เจอเพราะว่าเราไปอยู่ในโลกของความคิดคิดหาไม่ได้กลับมาดูจริงๆนะพยายามเซิร์ชพยายามแบบแบบค้นหาให้ได้ว่าเทอภาทำที่แบบใจกลางๆเป็นแบบไหนความทุกตัวเป็นอย่างไรนะ มันอยู่ในโลกของความคิดทั้งนั้นเลยนะใจที่เป็นกลางๆเป็นแบบไหนนะมักที่เป็นทางสายกลางเดินอย่างไรอยู่โลกของความคิดอาตมาคิดว่าหลายคนที่ปฏิบัติธรรมก็บางทีก็จะมีความคิดแบบนี้พยายามที่จะหาหาความสึกตัวบ้างหาการวางใจเป็นกลางๆบ้างหรือบางทีได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าโ้ ต้องขั้นแรกต้องแยกรูปแยกนามนะนะก็พยายามคิดหาอาการแบบไหนน้อเรียกว่ารูปอาการแบบไหนน้อเรียกว่านามอาการแบบไหนน้อถึงเรียกว่าแยกรูปแยกนามนะหรือมากกว่านั้นต่อไปเรื่อยๆนะคุยยามคิดหาเนี่ยพวกนี้นะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมนั้นนะแต่ถ้าจะบอกว่าจะห้ามไม่ให้มันคิดได้ไหมก็ไม่ค่อยได้นะนะหรือบางคน อย่างตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะบางทีบอกว่าครูบาอาจารย์บอกปฏิบัติไปไม่ต้องหวังผลนะทําไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังผลนะถ้าอยากได้มันจะไม่ได้นะครูบาอาจารย์ก็บอกไว้นะแต่จิตมันไม่ยอมเชื่อโยมมันได้ฟังอยู่นะได้ฟังคําเตือนของครูบาอาจารย์ต่างๆแต่จิตมันดื้อนะจิตนี่มันดื้อบอกแล้วมันก็ไม่เชื่อไม่ยอมฟังมันดื้อ มันอยากจะหามันอยากจะคิดมันอยากจะเข้าใจของมันบอกให้วางพลในการปฏิบัติวางใจยงกลางๆสบายๆมันก็ไม่ยอมวางอันนี้แหละมันห้ามไม่ได้แต่ไม่รู้นักคนอื่นอาจจะเชื่อง่ายก็ได้นะบางคนอาจจะเชื่อง่ายบางคนอาจจะเออเชื่อฟังครูบาอาจารย์วางได้พอดีเลยนะหรือว่าเจอพอดีเลยไม่ต้องไปหาก็อาจจะมีนะแต่เท่าที่ได้ไป อบรมไปเจอผู้คนในที่ต่างๆสนใหญ่ก็จะเป็นอาการเหมือนกันพยายามคิดเข้าใจในสภาวะธรรมต่างๆนะหรือบางทีก็อยากเอาความอยากเป็นตัวน ำ, วนำก็เลยให้ความอยากเป็นตัวพาปฏิบัติตให้ความเหนื่อยความท้อความที่เรียกว่าวไม่เกิดพ้ น, นการาปฏิบัติสักทีเป็นตัวถอยเอาตัวอยากพารมเอาทวมเบื่อพาถอยพาพักอันนี้พวกนี้ก็ เป็นอ้าวลมหนึ่งเหมือนกันเนาะอก็บอกพวกเราไว้ว่าบางคนอาจจะเจอปฏิบัติธรรมมาพวกเราอาจจะมาสี่ห้าวันแล้วนะปฏิบัติธรรมอ่าอาจจะเข้าใจบางส่วนยังไม่เข้าใจอะไรบางส่วนก็ไม่เป็นไรหรือบางคนปฏิบัติมาหลายปีแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยเอาความเข้าใจในปัจจุบันเป็นหลักเนาะเนี่ยดักสาคัญในการปฏิบัติธรรมคือ เอาความเข้าใจตัวเองในปัจจุบันเป็นหลักจะพิ่งไปค้นหาอดีตไปคิดย้อนกับเรื่องอดีตหรือบางทีไปคิดเรื่องอนาคตนะวางไปเลยนะเรื่องอดีตก็ดีเรื่องอนาคตก็ดีอ๋อวางไม่เป็นไรจะเคยทาถูกจะเคยทำผิดในอดีตมาแล้วก็เก็บมาคิดในตอนปฏิบัติธรรมนะบางทีอารมณ์มันเพลินๆใช่ไ หลายคนไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าที่เดินจงกลมไปไปคิดเรื่องที่มันสุขสุขนะเดินคิดไปจบเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นต่อมันสุขสบายเหลือเกินนะคิดแล้วมีความสุขคิดแล้วเพลินเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะเออกลับเนื้อกลับตัวหลายรอบแล้วก็ยังคิดอยู่เพราะมันลืมตัวไปอยู่ในโลกของความคิดก็ผิดนะคือบางทีก็ไปคิดหาคาตอบคิดหาความเข้าใจ อีกส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่กับโลกของความคิดเลยนะไปอยู่กับความคิดสุขบ้างสุขนี่มันชวนให้เราติดนะชวนให้เราติดจะสุขขนาดไหนหรือบางคนไปเอาความสุขในอนาคตมาก็มีนะคิดวางแผนคิดที่จะมีความสุขอย่างงั้นอย่างนี้นะไปดึงเอาความสุขในอนาคตมาคิดแล้วตัวเองก็ไปหลงกับความคิดตรงนั้นหรือบางคนนะก็ ออกจากความคิดเลือกของความทุกข์ไม่ได้นะอดีตที่เคยทากิดพลาดมาเคยทุกมาก็เก็บมาคิดคิดแล้วก็มาทิมแทงตัวเองคิดแล้วมาก็เศร้าเสียใจตัวเองคิดแล้วก็มาโทษตัวเองหรือบางคนไม่ค่อยโทษตัวเองก็ไปโทษแต่คนอื่นว่าเขาทำงั้นอย่างนี้ก็ไปทุกข์อีกนะหรือบางทีก็ไปคิดกลัวกังวลถืออนาคตมีไหมกลัวถ้าลูกตาย ถ้าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราจะตายจะเป็นอย่างไรนละกวมบางทีก็กลัวขี้เกียจไปทำงานนะต้องกลับไปทำงานแล้วนะอยู่วัดสบายสบายไม่อยากไปทำงานเลยนะก็ไปกลัวอนาคตก็มีนะไปอยู่ของโลกของความคิดเหมือนกันนะระวังนะนี่แหละตัวที่สำคัญที่สุดที่หลวงพ่อเทียนต้องบอกว่าเป็นเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของการปฏิบัติธรรมคือความคิด ความคิดจะทางอดีตก็ดีอนาคตก็ดีหรือความคิดในปัจจุบันก็ดีความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดแต่พอมันคิดขึ้นมามันชวนเราสุขชวนเราทุกข์ไอ้ตัวนี้คือตัวที่เราจะต้องเรียกว่ารู้ทันมันเร็วๆนะคือเราไม่สามารถห้ามมันได้หรอกนะไม่มีใครสั่งบังคับความคิดได้โยมนะมันคิดก็เรื่องของมันแต่หน้าที่ของเราคือรู้ทันให้มันเร็วๆ ะการปฏิบัติธรรมบางคนมักจะมีคำถามทำไมปฏิบัติธรรมแล้วเห็นความคิดเองมันมากเหลือเกินหมายถึงว่าไม่ได้เห็นหรอกคือคิดว่าทำไมตัวเองมันคิดมากเหลือเกินแต่ก่อนไม่รู้สึกว่าเราคิดมากขนาดนี้นะคิดร้อยเรื่องพันอย่างคิดสารพัดนะเล็กๆน้อยๆก็คิดแต่ก่อนไม่เคยรู้ว่าตัวเองคิดมากพอมาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้ทไมรู้สึกว่าตัวเองคิดมาก แต่พอถ้าไม่รู้ทันใจตัวเองนะก็จะรำคาญรำคาญว่าทำไมเราถึงคิดมากทั้งๆที่ถ้าเราตัดออกอ๋อมันก็แค่คิดมากมันก็ผ่านไปแล้วในความคิดเราดี้าอีกที่เห็นว่าจิตมันคิดถ้าเราเห็นนะว่าโอ้อที่จริงมันไม่ใช่เราคิดมันเป็นจิตที่มันคิดของมันเองจิตที่มันรู้สึกของมันเองมันไม่ใช่เราที่ไหน มันเป็นเพียงแค่อาการของจิตที่มันคิดมันไม่ต่างจากอาการของกายที่มันเคลื่อนไหวเลยนะกายมันเคลื่อนมันไหวก็คือกายมันไหวคือรูปมันไหวจิตที่มันไหวมันไม่ไหวเป็นนามธรรมนี่มันก็ไหวเป็นเออมันไม่ไหวเป็นรูปธรรมมันก็ไหวเป็นนามธรรมก็เป็นรูปของความคิดจับต้องไม่ได้แต่มันรู้สึกได้อ้อรูปมันก็ไหวนะเป็นปกติ นามันก็ไหวเป็นปกติไม่มีอาการไหนเลยที่เราบังคับมันได้หน้าที่เราเพียงแค่รู้มันจะเฉยเท่านั้นนี่นาอ๋อเราดูรูปที่มันเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่สั่งให้มันรูปมันเคลื่อนไหวนก็ดูมันทํางานไปอ๋อเดี๋ยวรูปมันก็ไหวเดี๋ยวรูปมันก็ทุกข์มันนั่งนานๆมันก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์หายใจเข้าก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์กินข้าวอ่ดื่มน้ําก็ต้องเอาเข้าเอาออก เป็นธรรมชาติธรรมชาติของรูปจิตใจก็เหมือนกันนินาอ้อจิตใจมันก็มีการคิดแต่ก็เห็นหรือมันก็ดับความคิดเหมือนกันถ้ามีสติรู้ทันหรือบางทีสติรู้ไม่ทันแต่ความคิดมันก็ดับของมันเหมือนกันมันก็จบเรื่องนี้ออแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันอีกมันก็ไปคิดเรื่องอื่นอีกอ้อที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารูปหรือว่านามมันก็มีธรรมชาติเหมือนกันมันเกิดขึ้น เพราะเหตุของความไม่รู้มันดับไปถ้าจะดับได้เร็วก็ต้องดั บ, ดบได้เร็วด้วยเหตุของความรู้นะนนแต่ถ้ามับางทีมันดับเองเนื่องจากเชื้อมันหมดเพราะว่าเราไม่รู้มันก็มีเหมือนกันแต่การที่เรามันฝึกสติเนี่ย น, นะตน้นต อ, นตอนจริงๆที่เราดูรูปเคลื่อนไหวนี่แหละเพื่อเห็นอะไรเพื่อเห็นใจคิดนึกหะเราก็เทียนให้ย้ำบอกดูกายเคลื่อ น, นอไหวเห็นใจนะที่คิดนึกปรุงแต่งนะ ดูกายจะเห็นจิตดูคิดจะเห็นธรรมเราดูกายตอนนี้นะดูไปเรื่อยๆดูสบายๆดูมันไปจะส่งใจไปอยู่ที่มือจะส่งใจไปอยู่ที่แขนจะส่งใจไปอยู่ที่เท้าไม่ส่งใจไปอยู่ที่ไหนเพียงแค่รู้มันเฉยๆหลักสาคัญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะจะส่งใจไปอยู่ที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือการไม่เพ่งที่รูปส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ให้จิ ต, จตมันอยู่ต่างหากาให้สติมันอยู่ต่างหากให้สติมันเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นว่ากําลังนั่งยกมืออยู่เห็นว่ากําลังนั่งฟังอยู่รู้สึกถึง<า>ลมที่สัมผัสอยู่ให้เห็นแบบนี้โยมเห็นว่ารูปกําลังเจ็บปวดอยู่ให้จิตมันอยู่ต่างหากให้จิตเป็นคนเห็นรูปนี้เนี่ยการปฏิบัติวิปัสสนานะถ้าจะจับหลักๆให้ถูกอ๋อเรามีสติเห็นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหว เห็นกายที่มันทํางานของมันไปแล้วแต่บางทีกายไม่จะเคลื่อนไหวเด่นชัดขนาดไหนทํายกมือต่อเนื่องขนาดไหนแต่บางทีก็มีความรู้สึกมีความคิดแทรกเข้ามาสุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยบ้างหรือปรุงแต่งความคิดเรื่องแรกต่างๆบ้างอ๋อบางทีมันก็แทรกเข้ามาห้ามไม่ได้แม้เราจะตั้งใจรู้กับการเคลื่อนไหวเป็นหลักแต่ก็มีความคิดเข้ามาแทรกอยู่บ่อยบ่อย เราก็คอยสังเกตจิตใจอ้อมันเป็นแบบนี้นเองเนาะเดี๋ยวความคิดก็เข้ามาแทรกเดี๋ยวความคิดก็เข้ามาแทรกรู้ทันก็วางมันได้รู้ไม่ทันก็หลงไปกับมันความคิดขึ้นมาใหม่รู้ทันก็วางได้รู้ไม่ทันก็หลงไปกับมันอีกแล้วอ้อเห็นเลยว่าอาการของจิตมันก็มีความรู้สึกนึกคิดนี่เองที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเหมือนกันแต่พอเรารู้ทันเราก็ไม่หลงไปกับมัน พอเราไม่รู้ทันเราก็โด่งไปกับมันก็แค่นั้นเองการที่เรามฝึกสติในการดูกายเพื่อให้ใจเราตั้งมั่นเพื่อให้ใจเรามีสมาธิไม่หลงไปกับโลกของความคิดนะถ้าเราเคลื่อนไหวมือใบอ้อมันก็จะตัดความคิดได้บ่อยเพราะว่าเราจะมีสติกับมาเห็นกายที่เคลื่อนไหวเยอะๆหรือบางทีความคิดมันแทรกเข้ามามามันจะเห็นนะว่าโอ้มันแทรกเข้ามาแบบแวบผ่านเข้ามา เห็นสติสติมันเห็นกายอยู่ทําไมความคิดมันแทกเข้ามาได้อัศจัรย์ใจตัวเองนะที่ทําไมแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเลยว่าเราคิดมากขนาดนี้แต่พอฝึกสติเลยอ้ากลับมาเห็นว่าเออจิตมึงคิดนึกปรุงแต่งเราเห็นจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งของจิตมันก็ดับไปเข้ามันอ้อก็เห็นแล้วนะถ้าเห็นในใจเป็นกลางนะมันจะยิ้มยิ้มภายใน ยิ้มเพราะว่ามันเกิดความพอใจที่เห็นอาการของสภาวะธรรมของจิตนะมัน่มันคล้ายคลยยิ้มย่อกิเลสมันแค่ยิ้มย่อว่าอ๋อรู้ทันมาแล้วรู้ทันมาแล้วนะไม่ใช่ยิ้มย่อคนอื่นนะไม่ได้โกรธคนอื่นแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะเราก็จะไปโกรธทำไมเราถึงคิดมากทำไมต้องโกรธทำไมต้องโมโหทำไมต้องทุกข์ด้วยมันจะไม่มีทาไมถ้าปฏิบัติธรรมไป เป็นจริงๆนะแต่ไม่มีคำว่าทำไมกับกับทุกสภาอาการมันมีแต่ความเข้าใจนะมันไม่มีคำว่าทำไมนะมีแต่ความเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วเ <ใจ S 1> ข้าใจแล้วมันมีแต่เรียกว่ามันคลายความสงสัยประจัจประจัจธรไปเรื่อยนะมันจะคลายความสงสัยบางคนเคยสงสัยมากนะคิดมากอยากรู้มากแน่นอนประจัจธไปเรื่อยนะ ความสงสัยจะน้อยลงไปเองเรื่อยๆเพรจะเกิดความเข้าใจเป็นความเข้าใจที่ไม่ใช่การคิดนะอย่างที่อาจารย์มาบอกตอนแรกนะบางทีเราพยายามที่จะคิ ด, คดหาความรู้สึกตัวคิดจะแยกรูปแยกนามคิดจะเข้าใจคําสอนของครูบาอาจารย์แต่พอเราปฏิบัติไป เ, เรื่อยๆพอเห็นอาการของกายอาการของรูปอาการของนามบ่อยๆนะมันจะเป็นความเข้าใจเลยอ๋อรู้สึกตัวเป็นแบบนี้นี่เองไอ้ความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้นี่เองนะ มันไม่มีคาพูดอธิบายมันไม่มีความคิดอธิบายเพราะสภาวะที่รู้สึกตัวเฉยๆจิตมันเป็นปกติคำอธิบายสมมุติต่างๆที่มาใช้เนี่ยมันเป็นความคิดทั้งนั้นถ้าความรู้สึกตัวจริ ง, รงมันเป็นปกติไม่มีคาอธิบายได้แต่มันรู้ได้ไดนะแต่มีคาพูดที่พออธิบายได้เหมือนกันแหละแต่มันก็จะไม่ใช่ถึงที่ตรงที่สุดแยกรูปแยกนามเข้าใจสภาวะอาการของรูปของนามเข้าใจ รูปทํานามทํารูปโรคนามโรคอาการต่างๆก็เหมือนกันมันมีแต่สภาวะที่อ้อมันเป็นแบบนี้นี่เองอาการที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วว่าเรื่องของรูปเป็นแบบไหนเรื่องของนามเป็นแบบไหนรูปมันทํางานได้อย่างไรของมันนามมันทํางานได้อย่างไรของมันความทุกข์ของรูปเป็นแบบไหนความทุกข์ของนามเป็นแบบไหน โรคของรูปเป็นแบบไหนโรคของนาเป็นแบบไหนความเป็นไตรรักของรูปของนาเป็นแบบไหนมันมีแต่สภาวะที่ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนะเออมันเป็นสภาวะที่เรียกว่าเหนือสมมุติเหนือคําพูดแต่มันเกิดเป็นความเข้าใจได้ถ้าเราพยายามตั้งใจปฏิบัติเนี่ยค่อยๆทําไปอย่างที่บอกว่าบางทีผลของการปฏิบัติแม้จะอยากเข้าใจขนาดไหนนะไม่เข้าใจโยมมันต่างจากทางโรคนะ ทางโลกเราตั้งเป้าความสําเร็จไว้สมมุติเราทํางานเรามีแผนงานปีนี้จะทําให้ได้ผลงานขนาดนี้ทําธุรกิจปีนี้จะต้องให้ได้กําไรขนาดนี้มีแผนงานตั้งเป้าเรียนหรือเราเรียนหนังสือก็ดี4ี่ปีจะให้จบปริญญาตรีสมมุตินะเรามีเป้าไว้พยายามทําให้มันได้มันก็ได้นะส่วนให ญ, ญ่ทางโลกบางทีตั้งเป้าไว้ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆมันก็เห็นอะไรที่ชัดเจนแต่ทางรมนะเราตั้งเป้าได้แต่ถ้าเมื่ อ, อไรที่เราไปคิดถึงแต่เป้าหมายที่เราอยากจะได้นะยิ่งไกลเป้าหมายดังนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมมาแล้วนะบางคนอยากจะรู้ธรรมะ ม, มากอยากจะได้อะไรมากนะรู้ทันมันเล้เร็วเราห้ามไม่ได้หรอกนะห้ามความอยากไม่ได้แต่เราสามารถรู้ทันมันได้แล้วก็วางมันได้นะไม่เป็นไร าบางคนอาจะทิ้งในใจว่าเราห้ามมถ้าเราไม่อยากพ้นทุกข์ไม่อยากเข้าใจอะไรเราก็ไม่ม า, มาไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วสิก็ใช่นะเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออยากที่จะพ้นทุกข์เพื่อให้เข้าใจตนเองหรือเพื่อหรือบางคนอาจจะคิดว่าให้มีความสุขมากขึ้ น, นก็เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมของเรานั่นแหละก็ถูกแล้วนะนะแต่ขณะที่ปฏิบัติธรรมพยายามรู้ทันความอยากรู้ทัน ความกังวลภายในใจของเราแล้วก็วางมันไปซะนะเพราะยิ่งเราวางความอยากได้มากเท่าไหร่วางความกังวลภายในใจของเราได้มากเท่าไหร่ตอนนั้นเราได้สัมผัสแล้วนะถึงสภาวะใจที่เป็นกลางสภาวะใจที่ตั้งมั่นสภาวะใจที่พ้นจากความทุกข์แล้วเราสามารถสัมผัสได้ทันทีเลยนะพวกเราถือว่าโชคดีนะที่ได้ที่ได้มา ปฏิบัติทำกันตั้งแต่ตอนนี้แหละนะบางคนอาจจะเพิ่งมาครั้งแรกก็ดีหรือมาหลายครั้งแล้วก็ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปฏิบัติที่แท้จริงปฏิบัติที่ปัจจุบันนะจะไปคิดเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้นะบางทีเราได้ยินผลของการปฏิบัติของเพื่อนของครูบาอาจารย์แล้วก็อิดช้าบ้างหรือว่าก็บนใจว่าทําไมเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอย่างที่คนอื่นเป็นไม่ต้องเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบนะ ให้เริ่มแก้เติ่มต้นที่ตัวเราเองปฏิบัติทำนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อแข่งกับใครอย่างหนึง่งนะไม่ไดปฏิบัติเพื่ออวดใครอย่างหนึง่งแต่ปฏิบัติเพื่อแก้ไขตัวเองปฏิบัติเพื่อรู้จักตัวเองถ้าเราวางใจแบบนี้ได้นะโอ้จะคนอื่นไม่เป็นไรเรากลับมาแก้ไขตัวเราเองแก้ไขอะไรอ่าแก้ไขสิ่งที่ไม่ดี ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้สะสมสิ่งที่ดีกับกายกับใจนี้นะอย่างที่เราได้สรวจ น, นะนะเรื่องความเพียร น, นะเรื่องความเพียร<า> <ใน S 2> เพียรในการละอกุศลเพียรในการสร้างกุศลเกิดขึ้นนะความเพียรเนี่ยคือความขยันตรงนี้นะหรือบางทีเราจะพูดเรื่องเออเราให้ทําสบายๆวางใจสบายๆในการปฏิบัติใช่ไหม บางคนไม่เข้าใจว่าความสบายกับความขยันมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะทำไมทําสบายๆนะนะเพราะเราเราวางใจสบายๆนะหรือที่เราบอกว่าให้ทําความเพียรให้มีความขยันจริงเป็นเรื่องเดียวกันนะเมื่อใจเราสบายนะเราก็ละอกอุกสนได้ง่ายๆ เมื่อใจเราสบายกุศลก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆไม่เป็นเรื่องเดียวกันนะถ้งั้นปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเคร่งเครียดนะเราต้องทำใจสบายๆยิ้มๆในใจในการปฏิบัติด้วยก็ดีนะบางคนเดินจงกรมไปยกมือสัญวะไปหน้านิ้วคิ้วขมวดเกินไปเอาจริงอจังนะไม่ดีนะให้คิดถึงหน้าพระพุทธรูปไว พระพักท่านเป็นอย่างไรท่านอมยิ้มน้อยๆภายในใจผ่อนคลายนะเราให้เป็นแบบนั้นภายนอกอาจจะไม่ยิ้มนะไม่เป็นไรแต่ขอให้ภายในใจมีความรู้สึกผ่อนคลายเบิกบานไว้นะถ้ารู้สึกว่าเคร่งเครียดมันแน่นหรือว่ามันตึงเกินไปอ้อให้รู้ทันอ้อเราตึงเกินไปแล้วนะเอาจริงเกินไปแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรปรับปรับได้นะเปลี่ยนได้นะ เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรหรือบางคนสบายเกินไปไปหลงกับความคิดอ้าให้รู้ทันอ้ไม่เป็นไรจะคิดลอยข้างพันหนก็ไม่เป็นไรเรามีเครื่องมือในการกลับมากลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นหลักนะกายที่เคลื่อนไหวให้ทำบ่อยๆนะบางคนอาจจะเคยทําสมาธิเคยปฏิบัติธรรมแบบนั่งนิ่งๆนะซึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะ แต่สิ่งที่เราจะฝึกเพิ่มเติมคือการฝึกสตินะฝึกสติสมาธิก็เป็นส่วนประกอบแต่ขอให้สติเป็นตัวนำจะดีกว่านะสมาธิถ้าเราฝึกไม่ดีเนี่ยบัทีอาการของสมาธิมันมีอาการของปิติบ้างอาการของความสุขบ้างเป็นอาการที่ชวนให้เราติดได้ง่ายติดปิตินะติดสุขติดสงบนะบางคนไม่อยากทำอะไรเลยเพราะอาการตรงนี้เกิดขึ้น เราต้องรู้ทันมันนะคือเราไม่ปฏิเสธอาการของความสงบอาการของปิติบางทียกมือสั่งยางบะดินโยกมไปก็อาจจะมีเหมือนกันบางคนยกมือไปเบ้าเบายกได้เรื่อยๆเดินไปก็เดินสบายๆจิตใจมีความสุขมีความผ่อนคลายมากให้รู้ทันมันนะมันเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้แต่อย่าไปติดมันนะบอกไว้เผื่อว่าเราปฏิบัติแล้วอาจจะเจอเนาะ ตัวเบาตัวลอยรู้สึกผ่อนคลายสบายแต่อย่าไปติดมันให้เห็นว่าเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เออกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายใหม่แม้ใจมันอยากจะสงบนะหรือบางทีมยกเบาแผ่วเกินไปอ้อดูแล้วว่าจิตมันไปติดความสงบจิตความสุขเราก็เคลื่อนไหวร่างกายมันชัดขึ้นเดินให้มันชัดขึ้นหรบางทีโอ้มันเบามันไม่อยากทํำอะไรเลยบางทีก็ต้องหาเรื่องทำนะ หาเรื่องคิดก็มีนะหาเรื่องคิดแต่คิดในทางธรรมะอ๋อคิดถึงบทสวดมนต์ให้มันออกจากความสงบก็ได้หรือหาเรื่องทำหาเรื่องไปเดินหาเรื่องไปจับไม้กวาดบ้างเพื่อให้จิตมันออกจากความสงบก็มีนะนี่ก็ต้องบอกไว้สำหรับบางคนที่อาจจะเออไปเจออาการของความสงบของความปิดติของความสุขนะถ้ามันปิดติดก็ต้องหาเรื่อง การเคลื่อนไหวให้มันออกมาจากอาการตรงนั้นต่างๆนะนี่ก็เราบอกพวกเราเพราะว่าให้เราเอาสติเป็นตัวนําในการฝึกปฏิบัตินะให้สมาธิเป็นตัวตามนะให้สมาธิเป็นตัวตามนละการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยขึ้นไปที่เรามาฝึกในที่นี้ก็เป็นฝึกเพื่อเป็นการเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานแต่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงต้องทํา อ่าเรียกว่าตลอดทั้งชีวิตของเราแล้วแหละนะไม่ใช่เพียงแค่เจ็ดวันนี้เท่านั้นไม่ใช่อยู่แค่วัดนี้เท่านั้นอยู่ที่เช่นไหนๆเนาะก็อยากให้ญาติโยมทุกคนนะพระคุณเจ้าไม่ชีทุกท่านนะแหละก็ได้อาศัยว่าเราเกิดมาชาตินี้นะเป็นชาติที่โชคดีแล้วที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาให้เราอาศัยชีวิตนี้เนาะให้มีเป้าหมายชีวิตที่ดีนะจะเกิดมาเพียงแค่ กินอยู่ดับนอนนะแล้วก็ตายไปแค่นั้นเหรอให้ถือว่าเป็นความโชคดีในชีวิตเราที่ได้เกิดมาในชีวิตนี้ได้พบพุทธศาสนาแล้วอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่โลกนี้มีมาเนาะก็คือการเข้าถึงธรรมะให้ได้พยายามทำความเพียรเรียนรู้จากตัวเองไปเรื่อยๆจนทั้งเข้าใจแล้วก็เห็นว่าที่จริงตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวเราในรูปนี้ก็ไม่มี ตัวดาวในนามนี้ก็ไม่มีในรูปนี้ก็มีเพียงแค่ธาตุที่มาประกอบกันเท่านั้นในนามนี้ก็เหมือนกันมาเปลี่ยนแค่สังขารที่มันหงปรุงแต่งไปเท่านั้นแต่จริงทภาวะที่เป็นปกติของรูปของนามมันมีอยู่แล้ ว, ลวเพียงแค่ปฏิบัติแล้วก็คืนคืนความรงผิดของจิตให้แก่ธรรมชาติมันไปเติมความเข้าใจถูก ให้กับจิตนี้เท่านั้นไปนะเปิดปันไปเพื่อเนี่แหละเพื่อปล่อยวางเพื่อละวางความหลงผิดความสังขารผิดในกายในจิตนี้ออกไปให้เท่านั้นเนาะแล้วก็เราอาศัยนี่แหละทำความเพียรไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่ทำประโยชน์ตนให้คุ้มค่าที่สุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วแล้วก็ยังประโยชน์ท่านประโยชน์ให้คนอื่นด้วย ในการสืบทอดความจริงนะสืบทอดสิ่งที่เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านถ่ายทอดไว้เพื่อไปบอกต่อไปสอนต่อหรือว่าไปทําต่อให้กับคนอื่นเขาได้เห็นให้เขาได้สัมผัสกับความน่มเย็นมากขึ้นเนาะนะเพราะว่าโลกวันนี้มันร้อนขึ้นนะไม่ใช่เพียงแค่อุณหภูมิภายนอกของอากาศเท่านั้นแต่จิตใจคนก็ร้อนร้อนไปที่ไหนก็ร้อน ร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงร้อนเพราะว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆมากมายจิตใจมันร้อนนะจิตใจเราก็ร้อนเหมือนกันเนาะเราก็เคยร้อนทุกคนนั่นแหละเคยโดนความโลภความโกรธความหลงมาเผาไหม้จิตใจเราถ้าเราพอมีวิธีแก้ไขได้ก็แก้ที่ตัวเราก่อนทำที่ตัวเราก่อนแล้วก็ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเนาะนะให้โรคนี้ได้พบกับความเย็นมากขึ้น แม้อากาศภายนอกจะร้อนแต่ขอให้ใจเราสงบเย็นนะแม้คนอื่นเขาจะร้อนแต่ขอให้เราเป็นน้ําให้เป็นดมที่เย็นๆพัดผ่านให้กับคนอื่นเขาได้สัมผัสความนลมเย็นของธรรมะด้วเนาะก็<อ>กฝากพวกเราไว้ทุกคนนะั่นแหละให้ทุกคนให้เป็นอุปกรณ์ของธรรมะช่วยกันปฏิบัติชาระจิตตัวเองให้เข้าถึงความทุกข์แล้วก็แบ่งปันคนอื่นให้เข้าถึงความทุกข์ด้วยทุกคนน ะ, ะจะเดินพร นักาศผ